เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเป็นอย่างไรเห็นจิตในจิตก็คือเห็นจิตเป็นจิตเท่านั้นเป็นเพียงสมมุติบัญญัติไม่เห็นเป็นอย่างอื่นเห็นกายในกายกายกระสักแต่ว่ากายเป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติว่ากายไม่เห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเวทนาในเวทนาก็เช่นเดียวกัน เห็นจิตในจิตนอกจากจะรู้เห็นความเป็นจริงของจิตว่าธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าจิตคือตัวตนสักแต่ว่าเป็นจิตเท่านั้นแม้แต่จิตก็ว่าเป็นเพียงสมมติบัญญัติ